พระอุบาลีคุณูปมาจาร์หลวงปู่มหาจันทร์สิริจันโทวัดบรมนิวาดราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพุทธศักราชสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าถึงสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า ปรารถนาจากถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินเสียก่อนผู้ที่วางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้นั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราชและเป็นสัตบุรุษจาพวกเดียวเท่านั้นเพราะท่านไม่ถือตนถือตัว ท่านวางใจให้เหมือนแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้ถือตัวใจปล่อยวางไม่ได้นั้นแต่ล้วนเป็นคนโง่เขลาสิ้นทั้งนั้นบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตา ท่านถือใจท่านไว้ก็เพียงแต่ให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์แลลช่ประโยชน์รู้ศีลทานการกุศลและอกุศลรู้ทางสุขทางทุกข์ในมนุษย์แลสวรรค์แลพระนิพพานเท่านั้นคลั้นถึงที่สุด ท่านก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะแห่งอนัตตาส่วนคนโง่เขานั้นถือตนถือตัวถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้การอยากได้สุข ในพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งสุขและทุกข์คือวางจิตใจยอย่าถือว่าเป็นของของตนก็ชื่อว่าได้ถึงพระนิพพานเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสุขทุกข์ทั้งสวรรค์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 บุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านไม่ได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นช้าท่านยกเอาอันใดอันหนึ่งขึ้นพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมร ผลนิพพานโดยสะดวกการที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยงามทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็น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 ทั้งวัตถุเข้าของดีงามประณีตบันจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้นการทำบุญกุศลทั้งหลายนั้นก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะทำให้บุญนั้น พาไปในที่อื่นทำเพื่อระ ง, งับดับกิเลสอย่างเดียวอย่าเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจกยกเอาตัวนำเข้าสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ ทำเพื่อรงังกิเลสตัณหาแล้วจึงจากไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเงาเขาโมลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุข ในทางพระนิพพานเท่านั้นสุขก็มีอยู่ต่างหากทุกข์ก็มีอยู่ต่างหากครั้นเราถือเอาสุขเราก็ได้สุขเราก็ไม่ถือเอาทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีดังนี้ เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่เขาจึงไม่พ้นเมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสียก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกันครั้นวางสุขแล้วทุกข์ไม่ต้องวาง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 จึงทำตัวให้เป็นทุกข์ปัญญาคือรู้ว่าการดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมากถ้าดับกิเลสได้น้อยก็เป็นบุญน้อยถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเลย บาปอกุศล น, นั้นก็ไม่ใช่อื่นคือตัวกิเลสนั่นเองกิเลสคือตัวตัณหานั่นเองดับกิเลสตัณหาได้เท่าใดก็เป็นบุญเท่านั้นที่สุดแล้วพระนิพพานนั้นไม่อยู่ในที่อันไกลเลย หากมีอยู่ที่จิตใจนั้นเองครั้นดับโลภโทสะโมหะมาณนะทิฐิได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้น